การที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราทำบุญทำทานส่งสอนให้พวกเรารักษาศีลส่สงสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องมาร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจวิตกกังวลหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งเหล่า น, นี้พระพุทธเจ้าได้สงคนพบวิธีที่จะ กำจัดมันให้หมดไปจากใจได้ใจของเราจะอยู่เยะมีแต่ความสุขใจตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่กังวลการทำบุญทำทานการรักษาศีล การฝึกสมาธิการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการพิจารณาธรรมเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะดับความทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ใจเกิดจากความอยากสามอย่างความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เรียกว่าความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้รับรางวัลต่างๆได้รับการยกย่องสรรเสริญและความอยากไม่เป็นไม่มีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ยากจนอยากไม่สูญเสียสิ่งที่รักไปความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของพวกเราเราสามารถกำจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรา ทำบุญทำทานนักษาศีลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจการปฏิบัติก็เป็นขั้นเป็นตอน เป็นขั้นบันไดเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปโรงเรียนเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนเช่นขั้นอนุบาลแล้วก็เข้าสู่ขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาเป็นขั้นขั้นไปเพราะว่ามีความยากง่ายต่างกันและมีความจำเป็น ที่จะต้องอาศัยกันและกันถึงจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงได้เช่น mm hmm. เราไปโรงเรียนเบื้องต้นเราก็ต้องหัดอ่านหัดเขียนหัดบวกลบคูณหารเราก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ก่อนนับหนึ่งสองสามไปก่อนแล้วค่อยมา ผสมสระอะสระ อ, อ่ะเอากไก่ผสมกับสระอะ่ะสระอ่แล้วก็อ่านออกเสียงต่างๆเลขเราก็หัดบวกก่อนหัดนับก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอพอนับเลขได้จําได้แล้วก็เอาเลขมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหนึ่งบวกสองเป็นสามหัดบวกไปก่อนอ ถ้าเรียนแบบง่ายๆมันจะ เ, เรียนง่ายถ้าจะเริ่มตอนให้เอาเลขร้อยมาหารด้วยห้าสิบอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรให้เขียนหนังสือตั้งแต่เริ่ม เข้าอนุบาลอะไรก็เขียนไม่ได้ให้อ่านก็อ่านไม่ได้พราอยังไม่รู้คาแต่ละคาอักษรแต่ละอักษรว่าออกเสียงอย่างไรต้องค่อยหัดไปการปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากต่างๆเราก็ต้องทำเป็นขั้นตอนไปทำจากขั้นที่ง่ายขึ้นสู่ขั้นที่ยากขึ้นไป ตามลําดับแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากเท่านั้นไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆ แต่เกิดจากความอยากของเราที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ไม่อยากกับไม่มีความอยากให้บุคคลนะต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆนี่นะคือการฝึกหัดฝึกหัดหยุดความอยากต่างๆความอยากที่เราทำกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอ น, อนหลับนี่แทบจะไม่มีเวลาไหนที่เราไม่ได้ทำตามความอยากกันเลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาหัดหยุดความอยากกันเอาเอาขั้นง่ายก่อนแล้วค่อยขยับไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลําดับเอขั้นที่ง่ายที่สุดก็คือความอยากใช้เงินทองตามความอยากต่างๆอพอเรามีเงินทองแล้วมักจะมีความอยากโผล่ขึ้นมาทันที อยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะซื้อของซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้อยากจะดูอยากจะฟังมีความอยากออกมาเต็มไปหมดพอมีเงินทองพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าถ้าเรามีเงินทองที่เราไม่ต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่จำเป็นนี้เราต้องใช้สิ่งที่จำเป็นคือสิ่งที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายของเรานี่เราต้องใช้อันนี้ไม่ได้เป็นความอยากใช้เงินทองแต่เป็นความจำเป็นถูกบังคับให้ต้องใช้เงินทองเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเช่นเวลาร่างกายหิวก็ต้องซื้ออาหารมาเวลาร่างกายขาดเสื้อผ้าก็ต้องซื้อเสื้อผ้ามา เวลาร่างกายขาดที่อยู่อาศัยก็ต้องหาที่อยู่อาศัยซื้อที่อยู่อาศัยหรือเช่าที่อยู่อาศัยมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องซื้อยาซื้อจ่ายค่ารักษาพยาบาลการใช้เงินในรูปแบบนี้ไม่เป็นความอยากใช้ได้แต่ก็ให้ใช้พอประมาณคือ ไม่ต้องออย่าให้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปขอให้มันใช้แล้วมารักษาร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติได้อไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอไม่ผอมผอมแห้งแรงน้อยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เงินที่จําเป็นต้องใช้แต่บางทีเรา สามารถหาเงินมาได้มากกว่าที่เราจะต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นพอเรามีเงินเหลือจากใช้กับสิ่งที่จำเป็นเราก็จะใช้กับความอยากเห็นอะไรเราชอบเราอยากได้เราก็ซื้อมาอันนี้แหละเป็นเงินที่เราควรที่จะเอามาทำบุญแทนถ้าอยากจะใช้เงินที่เหลือจาก การใช้กับสิ่งที่จาเป็นอย่าเอาไปใช้กับความอยากเพราะใช้ตามความอยากมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีหลังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใช้ตามความอยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่มีเงินใช้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพออยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวก็จะทุกข์อยากจะซื้อของ ไม่มีเงินจะซื้อก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากเอาไปใช้กับการทำบุญมันจะทำให้เราลดความอยากต่างๆลงได้ลดความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากต่างๆได้แล้วต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปกับความอยากต่างๆเพราะทุกครั้งที่เรามีเงินแล้วอยากจะใช้เงินไปกับความอยากเราก็เอาไปทำบุญแทนแล้วเราจะได้รับความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินตามความอยากเวลาเราใช้เงินตามความอยากเราจะสุขเดียวเดียวสุขในขณะที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มา หรือสุขในขณะที่เราได้ไปเที่ยวแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปของที่เราซื้อมาก็สุขตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ๆหลังจากนั้นมันก็ความสุขนั้นก็หายไปแต่ความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญนี้มันจะอยู่กับใจเรานา น, านกว่า เวลาผ่านไปหลายวันถ้าเราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ความสุขใจก็ยังเกิดขึ้นมาได้อยู่นี่คือเรื่องของการใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์กับใจก็คือใช้ไปในการทำบุญการทำบุญนี่มีประโยชน์หลายอย่างแต่เป้าหมายหลักก็คือ ให้เราเลิกใช้เงินตามความอยากเวลาเราอยากจะหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการใช้เงินตามความอยากก็เอาเงินไปทาบุญจะได้ความสุขที่ยาวนานกว่าที่มีประโยชน์กว่าเพราะความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแต่เฉพาะวันนี้เท่านั้นปัจจุบัน อนาคตเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้เราก็ยังมีความสุขอยู่แล้วตายไปความสุขนี่คือบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพาน เรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เพราะเงินที่ทำบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารกลับมาจะได้มากกว่าเงินที่เราฝากเพราะจะมีดอกเบี้ยคนที่ทำบุญทาทานเนี่ยจะได้ประโยชน์มหาศาลไม่เสียประโยชน์แต่ถ้าเอาเงินไปใช้กับความอยากเนี่ยจะเสียประโยชน์ เพราะจะได้ประโยชน์แค่แป๊บเดียวชั่อขณะที่ไปเที่ยวไปซื้อสิ่งที่อยากได้มาแล้วพอพอได้มาแล้วไปเที่ยวมาแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็มีโทษตามมาเพราะความอยากเที่ยวจะโผล่ขึ้นมาอีกความอยากซื้อของที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นก็จะโผล่ขึ้นมาอีก แล้วถ้าไม่มีเงินซื้อก็จะไม่สบายใจทุกข์ใจแล้วก็จะต้องไปดิ่นลนหาเงินหาทองมาซื้อของตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่สามารถหาเงินทองได้โดยวิธีที่สุดจลิตก็อาจจะต้องไปทำบาปกัน คนที่หาเงินอยากได้เงินมากๆง่ายๆเร็วๆนี้มักจะไปทำบาปทำทุจริตคือโกงบ้างช่อโกงหลอกลวงรักทรัพย์ของผู้อื่นและอาจจะถึงกับต้องมีการฆ่ากันถ้าเกิดมีการต่อสู้กันนี่คือผลเสีย ที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากและเวลาตายไปก็จะไม่มีความสุขไปกับใจไปก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายถ้าไปหาเงินมาด้วยการทาบาปต่างๆอันนี้เราก็จะทำให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยเพราะความอยากใช้เงินมันจะไม่หมดไปจากใจ เวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ในใจก็จะส่งให้ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่แล้วก็ไม่ใช่แต่เกิดพบเดียวชาติเดียวกับจะกลับมาเกิดอยู่นับไม่ถ้วนไม่มีสิ้นสุดเพราะความอยากมันไม่หมดไป จากการที่กระทำตามความอยากความอยากจะหมดไปแต่เมื่อเราไม่กระทําตามความอยากเช่นอยากไปเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญแทนความอยากเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลงทุกครั้งที่อยากเที่ยวอยากจะใช้เงินเพื่อไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญเดี๋ยวต่อไปความอยากเที่ยวก็หมดไป เมื่อความอยากเที่ยวหมดไปความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาเพื่อมาใช้กับความอยากก็ไม่มีมีแต่ความจำเป็นที่ต้องหาเงินมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นซึ่งไม่มากเหมือนกับเงินที่เราใช้กับความอยากก็ทำให้เราไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องหาเงินมากก็จะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่ การปฏิบัติขั้นที่สองได้คือการรักษาศีลเพราะว่าจะทำให้เราไม่ถูกความอยากใช้เงินมากๆมากมากดดันเราให้หาเงินมากๆหาเงินง่ายๆหาเงินเร็วๆถ้าเราใช้เงินมากๆตามความอยากเราจะถูกกดดันให้ต้องไปหาเงินแบบทุจริตเพราะจะได้ง่ายได้ง่ายได้มากได้เร็วนั่นเอง ก็จะไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงมันก็จะทำให้เรารักษาสีไม่ได้การรักษาสีนี้ก็เพื่อหยุดความอยากอยากใช้อยากทำอะไรอยากได้อะไรก็ถ้าไม่สามารถทำได้โดยวิธีที่ถูกก็จะทำด้วยวิธีที่ผิดเนี่แต่ถ้าเรา ไม่ถูกกดดันให้เราจะต้องไปหาเงินหาทองเพื่อซื้อสิ่งต่างๆเพื่อทําสิ่งต่างๆตามความอยากเราก็จะไม่ถูกกดดันให้เราต้องไปทําบาปในการหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆถูกลดจํานวนลงด้วยการเอาเงินไปทําบุญทําทานแทนเราก็จะทําให้เราหยุดการกระทําบาป ซึ่งเป็นความอยากเหมือนกันบางทีเราอยากได้อะไรเมื่อไม่สามารถหามาได้ก็ต้องอยากจะขโมยอยากจะขโมยเงินของคนอื่นถ้าเราเที่ยวเราก็จะอยากประพฤติผิดประเวณีไปเที่ยวยามราตรีแล้วไปดื่มสุรายามเมาไปหาความสุขทางทางการประพฤติผิดประเวณีกัน เราก็จะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ถ้าเราเลิกใช้เงินตามความอยากตา่างๆก็จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาศีลได้ศีลห้าเบื้องต้นเราก็หันรักษาศีลห้าก่อนการรักษาศีลห้าก็จะลดการกระทาความอยากไปห้าข้อได้อยากจะฆ่าก็หยุดได้อยากจะลักทรัพย์ก็หยุดได้ อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็หยุดได้อยากจะโกหกก็หยุดได้อยากจะดื่มสุรายาเมาก็หยุดได้ถ้าหยุดการกระทำบาปได้ก็จะมีประโยชน์มากต่อจิตใจเพราะจะลดความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ทำบาปข้าข้อนี้ได้ ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายนี้เป็นภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นเองคือภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนรกเนี่ยที่มีแต่ความทุกข์ถ้าไม่ทําบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปถ้า ได้ทาบุญด้วยตายไปก็ได้ไปสวรรค์สวรรค์ก็คือพบที่มีแต่ความสุขการไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีความสุขได้ดูได้เห็นได้ฟังได้ยินได้อะไรสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีแต่ความสุขเพราะเป็นอนิสงค์ของการทาบุญทําทาน ของการรักษาศีลผู้ที่ตายไปจะไปเกิดในสวรรค์ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาเกิดมาร่ำรวยเกิดมามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีทรัพย์ มีเงินมีทองมีสติมีปัญญามีสิ่งที่ดีๆต่างกับพวกที่ไปเกิดในอบายเวลากลับมาเกิดนี่จะเป็นาภาพวาสนากลัมาจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีความยากจนสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ พิกลพิการอาการสามสิบสองไม่ครบอาการสามสิบสองอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการไปเกิดบนสวรรค์หรือเกิดในอบายจะทำให้คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีความแตกต่างกันเราจึงเห็นคนในโลกมนุษย์นี้มีความไม่เสมอเท่าเทียมกันเพราะมาจากคนละที่กัน ถ้ามาจากข้างบนก็จะลงมาเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบาลีถ้ามาจากข้างล่างมาจากกบายก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาบามีนี่เราถึงมีมนุษย์แตกต่างกันเพราะเรื่องของการทำบุญทำทานเรื่องของการรักษาศีล น, นี่เอง ที่จะทำให้เราเวลากลับมาเกิดในภพชาติข้างหน้านี้จะมีความแตกต่างกันพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะมีความสามารถที่จะเพิ่มการรักษาศีลได้อีกสามข้อทำไมต้องรักษาศีลเพิ่มอีกสาข้อก็เพราะว่าเป็นการหยุดความอยากเป็นการตัดความอยากได้อีกสาม สามทางนั่นเองอก็คือแล้วจะทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้ไปฝึกสมาธิต่อได้ก่อนที่จะไปฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเพื่ออะไรก็เพื่อหยุดความอยากการทำบุญทำทานนี้หยุดได้บางส่วนการรักษาศีลหยุดได้บางส่วนถ้าอยากจะหยุดได้เต็มทุกเต็มร้อยต้องนั่งสมาธิ ถึงจะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หมดแต่ก่อนที่จะไปนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีเวลาเวลาเราก็ต้องรักษาศีลแปดเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามความอยากเพื่อเราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธินั่งสมาธิเช่นถ้าเราถือศีลแปด ศีลข้อสเราก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ประพฤติไม่ร่วมไม่เสบการไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อสของศีลห้ายังร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาได้แต่พอถ้าจะถือศีล8ปดก็จะไม่ให้ร่วมหลับนอนกันจะได้เอาเวลาที่ร่วมหลับนอนกันมานั่งสมาธิแทน ศีลแปดนี้จะมีมีเป้าหมายอยู่สองข้อก็อหยุดความอยากที่จะเสพกามสองจะได้มีเวลามานั่งสมาธิได้มาหยุดความอยากได้เต็มที่ศีลข้หกก็ให้ไม่ให้กินอาหารหนังเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้าจะกินอาหารเย็นเดี๋ยวก็จะมารบกวนการฝึกสมาธิแต่ถ้ากินเพียง เพียงแค่เที่ยงวันพอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานจะนั่งสมาธิก็จะนั่งได้ยาวไม่ต้องมานั่งคิ ด, ดว่าเดี๋ยวหิวแล้วเดี๋ยวอยากจะกินอย่างแล้วพอไม่ถือพอไม่กินข้าวเย็นก็สบายไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการกิน หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาฝึกสมาธิได้เลยฝึกไปจนถึงเวลานอนถ้าเราถือศีลข้อเจ็ดและข้อแปดข้อเจ็ดก็ข้าไม่ให้เราไปเที่ยวนั่นเองข้าไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้ไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไม่ให้ไปฟังคอนเสิร์ตไป น้องลาทำเพลงไม่ให้เสียเวลากับการไปเสริมความงามเพราะเวลาไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องซื้อเสื้อผ้าต้องทำหน้าทำตาใช้น้ํามันน้ําหอมทำผมเวลาก็จะหมดไปพอพอไปเ ท, เที่ยวก็จะเที่ยวจนถึงดึกกว่าจะกลับมาก็ดึกกลับม า, ก, บมาก็ง่วงก็นอน เวลาที่จะฝึกสมาธิก็จะไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ถือศีลแปดนถ้าอยากจะฝึกสมาธิถ้าอยากจะหยุดความอยากดับความทุกข์อย่างเต็มที่ต้องฝึกสมาธิจะฝึกสมาธิได้ก็ต้องมีเวลาต้องมีเวลาจะมีเวลาก็ต้องยุติกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกาย ด้วยการถือศีลแปดศีลข้อที่แปดก็ห้ามไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนธรรมดาถ้าร่างกายง่วงนอนนอนห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็จะเต้นแต่ถ้าบอนนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, นอนที่สบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแต่ใจยังไม่อยากจะลุก พ่ามันสบายอยากจะหาความสุขจากการหลับนอนก็จะนอนต่อแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็นอนต่อแต่ถ้าให้นอนบนพื้นที่แข็งนอนแล้วไม่สบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมาฝึกนั่งสมาธิได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดหรือเหตุผลทําไมเราต้องรักษาศีลแปด เพราะว่าจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการฝึกสมาธินั่นเองส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดการสนับการจะนั่งสมาธินอกจากการมีศีลแปดแล้วยังต้องมีอีกหลายอย่างมาสนับสนุนอีกข้อหนึ่งก็คือต้องไปหาที่เงียบๆอยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่ใกล้กันอยู่คนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ชวนคุยกัน หรือเดี๋ยวคนที่เขาไม่ถือศีลถ้าไปอยู่ใกล้กับคนไม่ถือศีลเดี๋ยวเขาก็ชวนให้เราไปทําตามเขาเดี๋ยวเวลากินข้าวเย็นเขาก็จะชวนให้เรากินข้าวเย็นเวลาเขาจะดูทีวีเขาก็จะชวนให้เราดูอย่าทางที่ดีอย่าไปอยู่ใกล้ใครถ้าเราอยากจะไปฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินี้ต้องอาศัยที่เงียบสงบ ที่ไม่มีอะไรมาทางตาหูจมูกลล่นกายมาลบกวนใจผู้ฝึกสมาธิถึงมักจะไปหาที่อยู่ตามป่าตามเขาอ่าวัดป่าวัดเขานี่ที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าผู้ที่ไปตั้งวัดป่าวัดเขานี้ต้องการความสงบต้องการฝึกสมาธิต้องการหยุดความอยากเพราะถ้าหยุดความอยากได้นี้จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้และจะ ทำให้ใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอื่นที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนะนัติสันติปรังสุขขังถ้าอยากจะได้สมาธิอย่างน้อยก็ขั้นที่หนึ่งก็ต้องรักษาศีลแปด ถ้ายังรักษาสีแปดไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาศีห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีห้าไม่ได้ก็ต้องหัดทาบุญทำทานให้ได้ก่อนต้องเลิกเที่ยวเลิกใช้เงินตามความอยากต่างๆแล้วเอาเงินไปทำบุญแทนแล้วจะมีความสุขจากการใช้เงินแล้วจะทำให้รักษาศีห้าได้พอรักษาศีห้าได้ก็จะรักษาศีแปดได้ พอรักษาศิ้นแปดได้ก็จะมีเวลาไปอยู่คนเดียวได้ไปหาที่สงบไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวาดัดป่าวัดเขาแล้วก็ต้องทําอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเจริญสติต้องมีสติเพราะว่าสตินี้จะเป็นตัวที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความนิ่งของใจ ใจคืออะไรใจก็คือความคิดนี่ไงใจของเรานี่ปกติจะคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมาจนหลับนี่ไม่เคยหยุดคิดเลยใจเราเลยไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่วิเศษที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ต้องแล้วก็อยู่กับความอยากเพราะความคิดมักจะคิดไปตามความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ ก็จะทําให้ใจต้องไปดิน้นหาความหาสิ่งต่างๆตามความอยากตามความคิดได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากก็ไม่หมดความอยากก็มีมาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมได้อ้นี้แล้วเดี๋ยวก็อยากได้อ้นั่นต่อได้นั้นแล้วอยากได้ไอ้นูนต่อมีแต่ความอยากโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่หยุดความคิดเพราะความอยากมันต้องอาศัยความคิด พอคิดพอเห็นอะไรก็คิดว่ า, าสวยนะดีนะอยากได้ขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดคิดได้เราก็จะเฉยเฉยเห็นอะไรเราก็จะเฉยเฉยไม่ไปคิดว่ามันดีแล้วไม่ดีเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความอยากเห็นการที่จะทำใจให้เรานิ่งให้สงบเป็นสมาธิเราจึงต้องมีสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดต่างๆ ได้ถ้าหยุดความคิดต่างๆได้ก็จะหยุดความอยากได้ยั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งก่อนที่จะนั่งนี้ต้องไปฝึกสติก่อนต้องไปหัดควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเหมือนกับคนที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้ตอนต้องตอนต้นต้องไปหัดขับที่โรงเรียนขับรถก่อนยังออกไปขับที่ถนนใหญ่ไม่ได้เพราะยังขับไม่เป็น ถ้าออกไปตอนที่ยังขับไม่เป็นเบรคไม่เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เป็นเดี๋ยวไปเจอรถขนเอนิก็อาจจะไปชนกันต้องหัดขับรถให้เป็นก่อนผู้ที่จะฝึกสมาธิได้จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็ต้องหยุดหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนอย่าปล่อยให้คิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ต้องหัดควบคุมความคิดให้ได้ะ การจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติการจะมีสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับทำให้เกิดสติทำให้หยุดความคิดได้กรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราใช้เพื่อให้หยุดความคิดเช่นคาบริกรรมพุทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งถ้าเราคิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป เราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ั้นถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันเพราะเราเพียงแต่สั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดสติเรายังไม่ไม่มีกำลังพอที่จะสั่งให้ความคิดหยุดเองได้เราเลยต้องอาศัยกรรมฐานคือพุทโธความจริงกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน แต่ที่เราใช้กันทั่วไปที่ง่ายก็คือพุทโธพุทโธให้เราท่องพุทโธพุทโธไปหรือบางเวลาเราจะใช้การสวดมนต์แทนก็ได้เช่นเวลาที่ไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นการเจริญสติเป็นการหยุดความคิดเหมือนกันเพราะเวลาเราสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ ถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวดังนั้นเราต้องหัดฝึกสติกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาพอจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็อย่าให้มันคิดใช้พุโทโธหยุดมันให้มันคิดพุดโทโธพุโทโธแทนไปต้องบังคับมันพุโทโธมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเองเราต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราพุทโธพุทโธได้ความคิดอย่างอื่นก็เกิดไม่ได้หรือถ้าเกิดถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ๆพุทโธยังไม่สามารถหยุดความคิดได้ทันทีขณะที่เราพุทโธความคิดมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่แต่เราอย่าไปสนใจกับความคิดให้สนใจกับพุทโธพุทโธไปได้เรื่อยเดี๋ยวต่อไปพุทโธจะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหยุดได้ หายไปได้แต่ถ้าเราจาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้เพราะชีวิตของเราถ้าเรายังทำงานอยู่นี่มันก็จาเป็นจะต้องใช้ความคิดอยู่แต่ถ้าเราไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอันนี้เราแทบจะไม่ต้องใช้ความคิดเลยใช้ก็น้อยมากใช้กับความคิดกับการดูแลร่างกายเท่านั้นเองคิดว่าตอนนี้ถึงเวลากินหรือ ย, ยังถึงเวลาอาบน้ำหรือ ย, ยัง เวลาทำหน้าที่ทำความสะอาดหรื อ, อยังก็มีเท่านั้นเองที่จะต้องคิดนอกนั้นนะก็ไม่ต้องคิดอะไรเราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะหยุดความคิดได้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้มานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบ เพราะมันยันนั่งไปมันก็คิดไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดรู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิได้เห็นคนที่จะนั่งสมาธิได้นี่ต้องหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อน ถึงแม้จะไม่หยุดได้เต็มร้อยก็ให้มันหยุดได้อย่างน้อยสักห้าสิบก่อนก็ยังดีถ้าความคิดมันเบาลงเวลานั่งมันจะไม่มารบกวนมันจะทำให้เรานั่งได้นานและถ้าเรามีความพยายามที่จะให้มีพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปจิตก็จะนิ่งจะสงบขึ้นมาได้ ทำไมต้องนั่งสมาธิเพราะเป็นวิธีหยุดความอยากหยุดความคิดได้เต็มร้อยถ้าไม่นั่งเวลาเดินนี้หยุดไม่ได้เต็มร้อยเวลาทำอะไรอยู่นี้ยังมีความอยากมีความคิดเข้ามาแทรกได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธเนะี่ยเดี๋ยวจิตรวมเป็นสมาธิแล้วความคิดจะหยุดไปจะไม่มีอะไรมาทําทให้ใจคิด ตอนนั้นใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขใจจะเฉยใจจะไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่มีความรักความชางังความกลัวความหนงกับอะไรแต่มันก็เป็นความสงบชั่วคราวเพราะว่านั่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวกำลังของสติก็หมด พอหมดก็จิตก็จะเริ่มคิดใหม่ถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องพุทโธพุทโธใหม่ถ้าทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินพุทโธพุทโธแทนเรียกว่าเดินจงกรมเราก็เดินไปเดินมาร่างกายเดินไปเดินมาแต่ใจเราก็พุทโธพุทโธต่อคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดต่อเดินไปจกนกระทั่งเมื่อยแล้วอยากจะนั่งก็กลับมานั่งต่อ นี่ในกรณีที่ไปปีกเวเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องทำงานเช่นวันหยุดวันช่วงไหนมีวันหยุดสามวันห้าวันเราก็ไปปีกเวเวกไปหาที่สงบแล้วก็ไปฝึกสติไปถือศีล8ปแล้วก็ไปฝึกสติเดินจงกรมหรือทำอะไรก็ให้มีสติให้มีพุทโธอยู่กํากับใจอยู่เรื่อยๆพอไม่ต้องทำอะไรอยากจะนั่งก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธ ทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเห็นคุณของการไม่มีความอยากว่ามันสบายที่มันหนักอกหนักใจที่มันวุ่นวายใจอยู่เพราะความอยากทั้งนั้นพอใจสงบไม่มีความอยากแล้วใจเบาใจเย็นใจสบายใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าต้องยังใช้เงินใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถึงแม้จะได้ความสุขจากเขามันก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวเกิดค้าเขาไม่อยู่เราก็ไม่มีความสุขเกิดเงินหมดความสุขที่ได้จากเงินก็หมดไป กดเเกิดคนที่อยู่กับเราให้ความสุขกับเราเกิดเขาไม่อยู่กับเราก็ความสุขนั้นก็จะหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการฝึกสติจากการนั่งสมาธินี้พอเรานั่งได้แล้วเราจะสามารถนั่งได้ทุกครั้งไปต้องการจะนั่งเมื่อไหร่ต้องการความสุขเมื่อไหร่เราก็นั่งได้ทำได้ไม่ต้องมีอะไรมาเราไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง ไม่ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรานี่คือความสุขที่ดีกว่าเพราะมันอยู่กับเราเป็นของเราแล้วถ้าเราอยากจะให้มันสุขตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิเราก็ยังสามารถทำให้ความอยากหมดไปได้ถ้าเรามีปัญญาปัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่จะ ทำให้ความอยากหายสาบสูญไปสมาธินี้เพียงแต่กดมันไว้หยุดมันชั่วคราวสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้านี้หญ้ามันจะไม่งอกขึ้นมาแต่พอเราเอาหินออกเดี๋ยวพอหญ้าได้น้ำหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นปัญญานี้จะไม่ใช่เป็นหินทับหญ้า ปัญญาจะเป็นการถอนรากของของหญ้าออกจากดินถ้าถอนรากออกจากดินแล้วไม่ต้องเอาหินไปทับหญ้าพอหญ้ามันไม่มันไม่อยู่ในดินรากมันถูกถอนออกมาแล้วมันก็ต้องตายเพียงอย่างเดียวปัญญาก็เป็นเป็นเหมือนกับการถอนรากของของหญ้าอปัญญานี้จะถอนรากของความอยากความอยากนี่ก็มีรากรากของความอยากคืออะไร ต้นเหตุของความอยากคืออะไรก็คือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบหลงไปคิดว่าความสุขก็คือความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากพออยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็เกิดความสุขก็เลยคิดว่านี่คือความสุขก็เลยจะทำตามความอยากไปรด้เรื่อยก็เลยจะไม่หายอยาก แต่พอได้มาพบกับคนที่คนพบความจริงว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการหยุดความอยากการไม่ทำตามความอยากมีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถคนพบความจริงอันนี้ได้โดยที่ไม่มีใครสอนก็คือพระพุทธเจ้านี่อก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีอาจารย์องไหนรู้ว่า ความสุขนี้เกิดจากการหยุดความอยากการทําลายความอยากรู้ก็รู้แบบการหยุดความอยากแบบชั่วคราวคือการหยุดด้วยการเข้าสมาธิแต่ไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากอย่างถาวรว่าหยุดอย่างไรต้องหยุดด้วยปัญญาคือต้องไปถอนรากของความอยากคือความหลงความหลงที่คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุข ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขพอเห็นแล้วก็อยากได้พอได้แล้วก็ติดเหมือนคนติดยาเสพติดต้องอยากต้องได้อยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือปัญหาที่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าสองคนพบว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่เป็น หาความอยากที่ไปหาความสุขที่ไม่ที่กลายเป็นควา ม, วามทุกข์ไปหาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปหาความสุขที่จะต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆพอเวลาเติมไม่ได้หาไม่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่แท้จริงกลับไม่หากันความสุขที่แท้จริงก็คือการหยุดความอยากการฝืนความอยากต่างๆไม่ทําตามความอยากนี่คือปัญญา พอออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดใจไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าทําตามความอยากถ้าทํำแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะเวลาอยากแล้วมันจะต้องมีบ้างที่จะไม่ได้ไม่ได้ตามความอยากหรือสิ่งที่อยากได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดไป พอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาความอยากใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อไปหาความสุขใหม่มันก็จะทำให้อยากไปเรื่อยตายไปก็จะทำให้กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันไม่หมดความอยากที่จะมีร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะต้องทาให้ไปหามีร่างกายอันใหม่แต่ถ้ารู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ทั้งหลายของการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องอย่าทําตามความอยากด้วยการไม่ทํำมันเหมือนกับตอนที่ทําบุญตอนที่เอาเงินจากการไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทําบุญอยากจะทําผิดศีลก็อย่าไปทํามันอยากจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวอันนี้ก็ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่า ถ้าตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดความอยากมันจะไม่มีวันหมดและมันจะพาให้เราต้องไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยเพราะสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวมันจะต้องหมดพอหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์พอเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะทุกข์แล้วพอเราตายไปความอยากมันก็ยังพาให้เรากลับมาเกิดใหม่มาทุกรอบใหม่ เรากลับมาทุกไม่รู้กี่แสนล้านรอบนะเพราะเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่ความอยากสามตัวนี้เอง คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยางงามอยากหล่ออยากอยากดีอยากเด่นอยากได้รางวัลแข่งกีฬาแข่งอะไรกันเพื่อแสดงความดีเด่นของตนเพราะมันก็ทำให้จิตต้องดิ้นไปเรื่อยๆต้องไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆ เกิดมาได้มากี่ล่างได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เหรียญทองเหรียญหนึ่งก็ไม่พอพอได้เหรียญทองเหรียญก็อยากจะได้อีกเหรียญได้อะไรตำแหน่งอะไรได้เท่าไหร่ก็อยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ในร้อยก็อยากจะเป็นในพันได้ในพันก็อยากจะเป็นในพนเนีมันอยากขึ้นไปเรื่อยๆได้เป็นสสก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกเนี่ยเป็นนายกก็อยากจะเป็นนานๆ มันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าทําตามความอยากแล้วมันจะต้องเสียใจเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแล้วตายไปความอยากก็ไม่หมดเพราะตายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของเราอีกครึ่งหนึ่งคือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนที่ตายเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนใช้คนนับใช้ร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนาย ใจผู้คิดผู้รู้นี่เป็นนะเป็นเป็นใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่เป็นใจที่มีถูกความอยากครอบงาอยู่ถูกมีความหลงครอบงาอยู่ความหลงที่ลอกให้ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่การ มาเกิดการมีร่างกายการมาหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาลาบยศสรรเสริญแล้ว เ, เกิดมานี่ไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมว่าเรื่องการหาลาบยศนี่ทุกคนอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันทั้งนั้นแม้แต่เด็กทาลกนี่เกิดออกมามันก็อยากจะเสพรูปเสียงแล้วเชื่อไหมมันนอนอยู่เฉยเฉยมันร้องขึ้นมา ตอนต้มกก็คิดว่าหิวนมก็ให้กินนมปวดฉี่ก็ให้ให้ฉี่เสร็จมันก็ยังนอนร้องอยู่พอเอาของเล่นมาให้มันดูเอาตุ๊กตาเอาเสียอะไรมาให้ได้ยินมันก็หยุดร้องเออะจิตมันตั้งแต่เด็กมันก็หิวกับรูปเสียงกิ่นรถมันร้องเนี่ยมันแสดงว่ามันอยากนี่ไม่ต้องสอนของพวกนี้มันติดมากับใจของเรามีใครมาสอนเราให้อยากได้เงินไหมมีใครมาสอนเราให้อยากได้ตําแหน่งไหม ไม่มีหรอกมันมีอยู่ในใจของเราถูกโปรแกรมมา อ, อยู่ในใจเหมือนกันทุกคนถึงมาเกิดกันคนที่ไม่มีความอยากถึงไม่เท่า น, นั้นนะถึงจะไม่มาเกิดกันพระพุทธเจ้าพระอรหนันี์ท่านจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสท่านได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสงบที่เกิดจากการหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าเช่นสมัยของเรานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่มีตัวแทนมีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสากที่ยังสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ ที่มาสอนให้พวกเรารู้วิธีกำจัดความทุกข์วิธีกำจัดความอยากต่างๆด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาถ้าเรารู้แล้วถ้าเรานำมาปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีายรับประกันเขียนไว้ให้แล้วว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี รับประกันได้ว่าจะกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลฝึกสมาธิแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาธรรมะให้เกิดให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนได้เนี่ยท่านเขียนใบรับประกันไว้ให้เลยว่าบางคนถ้าฉลาดก็เจ็ดวัน บางคนที่ฉลาดน้อยก็เจดปีเจดเดือนถ้าฉลาดน้อยก็เจดปีถ้ามีความศรัทธามีความเพียรพยายามที่จะศึกษาคำสอนศึกษาวิธีกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์แล้วนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าจะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ การเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นของที่ยากต่อการตัดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่มีขายที่จะถันเองได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาร ก, ก็จะได้รู้สึกได้ศึกษาวิธีที่จะหยุด ความทุกข์หยุดความอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้อันนี้พวกเราถือว่าโชคดีานานๆจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้สั่งสอนพวกเราสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกภพทุกชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้พบกับพระพุทธศาสนาเสมอเสมอไปศาสนาพุทธนี้พระพุทธเจ้าก็ทรง ทำนายว่าไม่เกินห้าพันปีหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีาศาสนาพุทธเป็นเวลาอีกเป็นหลายล้านปีช่วงนั้นก็ไม่มีใครที่จะมีมีความสามารถเพราะไม่มีใครสอนให้หยุดความทุกข์ดับความทุกข์หรือตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดจูโลละมเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราอีกรอบหนึ่ง ถ้าพวกเราพบแล้วไม่ยินดีก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นเหมือนไก่ได้พลอยไม่เห็นคุณค่าของพลอยไก่เวลามันหากินมันจะคุ้ยเขีย่ยหาไส้เดือนหาตัวหนอนพอมันไปเจอเพชรเจอพลอยมันก็จะเขี่ยทิ้งเพราะมันไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยว่ามีคุณค่าขนาดไหนพวกเราก็เหมือนกันที่มาเกิดนี้เราก็เป็นเหมือนไก่ แสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสแสวงหาแต่ลาบยศจันลเสริญพอเจอธรรมะก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งพระเจ้าสอนให้ทําบุญทําทานก็ไม่ทําสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษาสอนให้นั่งสมาธิก็ไม่นั่งเอสอนให้ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไม่ทำํำอันนี้ก็เหมือนพวกไก่ได้ปล่อย ถึงแม้จะได้เจอของวิเศษมีคุณค่ามาหาศาลก็ไม่มีปัญญาที่จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับตนเองได้งนะั้นในเบื้องต้นเราจะต้องเปลี่ยนจากไก่ให้มาเป็นคนให้ได้ด้วยการเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนเชื่อพระอริสงสาวกว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ จริงท่านเป็นผู้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้จริงให้เชื่อแล้วเมื่อเชื่อแล้วเราจะได้ศึกษาจากท่านศึกษาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เริ่มสัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้เปรียบเทียบระหว่างการเอาเงินไปเที่ยวกับเอาเงินไปทำบุญต่อไปเราจะเห็นชัดเลยว่าการทาบุญนี้มีประโยชน์กว่าการเอาเงินไปเที่ยว พราะจะกำจัดความอยากเที่ยวได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อก่อนต้องเชื่อว่าไม่มีใครวิเศษเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใครที่จะมาช่วยกำจัดความทุกข์ที่เรามีอยู่นี้ให้หมดไปได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเชื่อแล้วเราก็จะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่ได้ศึกษาคำสอนเมื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้น้อมาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับพอได้เห็นผลแล้วเทนี้ก็จะไม่สงสัยไม่ลังเลอย่าทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่พอได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้ผลตามที่พุทธเจ้าได้ทรงทรงรับประกันไว้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้ท่านจง เอาคำสอนขอพระพุทธเจ้าไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปุริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตถินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปัญาหระโสยถามณิโชติ ภราสยถาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาธนศีฤทสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏาติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กสี่ร้อยสามยูทูร้อยสาสิบเอ็ด วิทยุออนไลน์สาสิบเจ็ดรับฟังบนเขาหกสิบสองรวมหก3้อยสามสิบสามค่ะขอโอกาส mm hmm. พระอาจารย์ครับกับเรียนฐานเรื่องการพิจารณาครับ mm hmm. คือเป็นการพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับก า, นนะการพิจารณานี้ทำอย่างนี้ได้ไหมครับคือพอดีมันมีเหตุการณ์คือพอดีย่าได้จัดงานเลี้ยง วันเกิดของญาติผู้ใหญ่นะครับร้อยปีแล้วเราก็ได้ไปร่วมงานพอเราไปร่วมงานนะเราก็รู้พอเราเห็นณวันนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงใจเราถึงไม่ยินดีเหมือนแต่ก่อนนั้นที่เราเคยดีใจอีกใจหนึ่งพอสักครู่หนึ่งพอเราพิจารณาแล้วอีกใจหนึ่งก็เลยคิดมากอ๋อที่เราไม่ยินดีนั้นเพราะเราไม่เสียใจนี้เองเราจะไม่เสียใจเลเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋ออันนี้สิมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงกลาง เป็นลักษณะอย่างนี้พิจารณายัางี้ได้ไหมครับก็ถ้าใจเราไม่ยินดียินร้ายก็ใช้ได้เนี่ยคยเห็นอะไรก็อย่าไปยินดีหรือยินร้ายเฉยๆกับมันเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ายินดียินร้ายแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่รักตรงนี้อย่างเดียวครับท่านอาจารย์คือลักษณะตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาและทุกวัน พอมันเกิดขึ้นมากๆ ม, มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดพอรู้สึกอึดอัดขึ้นมามันก็ทําให้เราไม่ได้วความสงบเหมือนเดิมซึ่งแต่ก่อนเราเคยมีความรู้สึกมีความสงบขึ้นพอเราพิจารณางี้บ่อยๆเข้ามันทําให้รู้สึกเหมือนกับบางทีหายใจไม่ออกติดขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราทําสมาธิมากเกินไปหรือเปล่าแตเา่เราพิจารณายัางไง ทีว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรคือบางทีมันเห็นลักษณะอย่างอย่างอย่างที่เกิดขึ้นลักษณะที่เหตุการณ์ที่วิ่งเข้ามาครับแล้วก็เกิดขึ้นเช่นมีเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านไปภรรยาขับรถชนข้างหน้าปากซอยขึ้นมานครับแล้วผมก็ภรรยาก็ถามผมก็ถามว่าเราผิดหรือถูกนะภรรยาบอกเราถูกพอถูกผมก็บอกว่าเออมันก็ช่างมันเถอะปล่อยเข้าไปเถอะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาตลอด ในการเกิดขึ้นในเหตุปัจจุบันแล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะมันคือมันเสียหายคือมันไม่ได้เสียหายผมรู้ว่ามันเป็นการปริญญาที่ถูกแต่ว่ามันทําให้ตัวเองตอนเนี้มันเหมือนกับตอนนั่งสมาธิใหม่ๆซึ่งมันไม่มีความสุขมันมันอึดอัดแล้วมันหายใจไม่ออกอย่างครับท่านอาจารย์แต่ว่าคือเมื่อกี้พอผมนั่งฟังท่านพระอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่าสงสัยมันเป็นได้ไปได้ไหมที่ว่าเนื่องจากว่ากําลังของสมาธิผมไม่พอ ผมถึงทำให้ผมอึดอัดนะตรงนี้ก็สติไม่พอ <S <S <at out> เราไม่ฝึกสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดความคิดตุ้งแต่งของจิตไม่ได้มันก็จะทำให้เราฟุงา้งซ่านพอเราจะนั่งสมาธิมันก็จะขัดกันชนกันมันก็เลยทำให้เราอึดอัดใจ <S <S <at out> อยากจะคิดแต่เราก็พยายามที่จะหยุดมันครับ งั้นเราก็ต้องพยายามไปปีกวิเวกบ้างเราอยู่กับเหตุการณ์บ่อยๆเข้ามันก็สติมันก็จะน้อยลงไปเพราะใจเราจะคิดมากกับเรื่องเล่าต่างๆคิดจนอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปปลีกวิเวกเราก็จะลดความคิดปรุงแต่งต่างๆลงแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่อึดอัดองั้นก็เวลาพยายามให้มันออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุด เพราะเวลาออกไปรับเรื่องราวต่างๆแนละมันก็ต้องคิดคิดแล้วมันก็ทำให้ใจฮฟุ้งขึ้นมาแม้แต่ทางคิดทางถ้าแต่คิดทางพิจารณาทางปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ไมเป็นปัญญาไม่ปญาจริ ง, รงถ้าเป็นปัญญาจิตมันจะสงบมันจะวางที่มันคิดแล้วมันมันอาจจะสรุปแบบไม่ไ ม, ไม่จริงหรือสรุปแบบว่ายังไม่ไม่ไม่ถึงถึงเหตุถึงผล มันยังไม่เห็นชัดเจนแต่มันไปสรุปเอาเองมันก็เลยยังไม่ได้ทําให้จิตสงบจริงๆรแต่ถ้ามันพิจารณาจนถึงเหตุถึงผลแล้วจิตมันสงบมันปล่อยวางเรื่องนั้นได้ปล่อยด้วยการด้วยความสงบไม่ได้ปล่อยเพราะเราสรุปเอาว่าเราสรุปไปเองว่าปล่อยมันเถอะจะได้ไม่วุ่นวาย อันนี้มันก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงถึงถึงรากถึงฐานของมันยังก็ไปควร่าฝึกสติให้มากๆอย่าอย่าให้คิดมากถึงแม้จะคิดทางปัญญามันก็ยังมันไม่เป็นปัญญาเต็มที่ออหรือเป็นปัญญาแต่มันยังไม่ปล่อยเต็มที่มันจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อมีสติหยุดความอยาก กับคารวะพ่อแม่ครูาอาจารย์สิทธิ์ได้มีโอกาสมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่มาก็คือวันที่สเดือนหปี61หนึ่งได้หนังสือของอาจารย์ไปสองเล่มก็คือสิทธิมีครูกับเศรษฐีที่แท้จริงเคยอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวแล้วมีความรู้สึกว่าหัวสมองของสิทธิไม่ถึงในเรื่องปัญญาอบรมสมาธิหรือสมาธิอบรมปัญญา พอมาฟังท่านพระอาจารย์ก็มีความรู้ได้ว่าเข้าใจได้ว่าปัญญาอบรมสมาธิเป็นไงสมาธิอบรมเป็นปัญญาเป็นไงสิทธิ์มีคำถามอยู่ว่าสิทธิ์ปฏิบัติมาก็ประมาณเก้าปีเต็มก็ อ, อาจจะอยู่แต่สนามซ้อมไม่เคยอยู่สนามจริงก็เลยมีความรู้สึกว่า การที่ปฏิบัติเนี่ยพอยิ่งปฏิบัติมากเข้าเนี่ยมันจะมีกิเลสที่ที่แวบเข้ามาหาในใจเราเนี่ยทั้งทั้งที่จิตเราสงบแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาวิ่งเข้ามาแทงแล้วมันเป็นกิเลสที่ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงครับก็ให้รู้ทันมันว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกแล้วก็อย่าไปเชื่อมันเท่านั้นเองเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสอนใจเราให้อย่าไปหลง อย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราไปยิ่งอยากมันยิ่งโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราแก้ด้วยปัญญาแก้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็อย่าไปเชื่อมันไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับเราเองก็โชคดีมั้งเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มศึกษามาเราก็มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดอก็ไม่มีความเครือบแคลงสงสัย แต่อย่างใดแล้วก็พยายามปฏิบัติตามและพยายามคิดเสมอว่าเรามันเป็นเหมือนมือใหม่หัดขับเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าครูบาอาจารย์ถ้าเราเก่งกว่าเราไม่ก็ไม่ต้องมาเรียนกับครูบาอาจารย์คือในในในใจตัวเองไม่เคยคิดเลยแต่จิตมันแว บ, บเข้ามาในความรู้สึกกนในตอ น, มนสมมามันเป็นกิเลสของเราไงมันเป็นสันดานของเรา<อ>ที่มันถูกฟังมา มานานในความรู้สึกที่ตนเองมักจะคิดว่าตนเองนี้เก่งฉลาดกว่าผู้อื่นครับแล้วก็จะมักเพ่งโทษผู้อื่นครับอันนี้ก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นข้อบอกพร่องของเราเป็นนิสัยสันดานของเรารับที่เราจะต้องแก้ด้วยการอย่าไปเชื่อมันทุกครั้งที่มันเกิดก็สอนมันว่านี่เป็นความคิดที่ผิดไม่ถูกต้องครั้งที่แล้วที่มาครั้งแรก ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าสติยังไม่เข้มแข็งพอเพราะจิตใต้สำนึกเรายังไม่ดีองานนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้ามีสติก็หยุดมันได้เวลามันคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปครับถ้าหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญามันจะได้หายอย่างถาวรถ้าใช้แค่สติเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆกาบเรียนท่านพระอาจารย์ครับถ้าลงสนามจริงมันจะแก้ได้หายไหมครับ มในลักษณะไหนล่ะก็ปีกวิเวกแบบเท้าจารย์ที่ในหนังสือพระ้าจารนอ๋อหายถ้าไปปีกวิเวกแล้วสามารถทําใจให้รวมเป็นสมาธิด้านทีนี้มันก็จะรู้แล okay. so ้วว่ามันเป็นแค่ความคิดของเราสนามที่นี่มีไหมครับอาจารย์ก็นี่ก็มีคนมาอยู่บนเขานี่มีภาพมาอยู่บนนี่ต้องสิบกว่ารูปคารวาะได้ไหมครับคารวะก็แล้วแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหรือไม่แล้วมีที่ว่างหรือไม่ ก็มีคาราวาบางคนมีทั้งต่างประเทศช่างชาวไตที่มาขออยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเคยฟังในเทป พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้เทปม้วนที่สามหรือเปล่าอาจจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้อยู่บนภูเขาแต่ตอนนี้อยู่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ทาาราบหมายถึงใครไม่เทปเทปเทปของเคยเอาไปเมื่อวันที่สองเดือนเดือนห้าปีหกหนึ่งอ๋อเป็นทปกับ ในการนี้ถ้ามาบวชเป็นพระนี้พันษาแรกจะเขาจะให้เรียนหนังสือก่อนให้อยู่ข้างล่างก่อนพอออกพันษาแล้วได้เรียนจบนักธรรมตรีแล้วถ้าสามารถปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติบนเขาได้และมีที่ว่างก็ก็อาจจะขึ้นมาได้และแนวทางของคารวะที่จะมีโอกาสขึ้นมาปฏิบัติ บ, ตบนภูเ ข, ขาต้องมีแนวทางยังไงบ้างครับอาจารย์ ก็เนี่ยหละมาศึกษามาฟังธรรมจนเราเห็นว่าสมควรที่จะอยู่ได้มีมีพฤตกรรมที่เหมาะกับสถานที่ถ้ามาเพื่อภาวนาจริงๆแต่เพื่อเราเมื่อเราเห็นแล้วว่ามาภาวนาจริงๆก็ถ้ามีที่ว่างก็อนุญาตให้อยู่ได้ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครั บ, ร บ, บ, รบถ้ามาใหม่ๆไม่รู้จักยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ว่ามีพิธกรรมอย่างไร ถ้ามาได้คุยได้คุยกันได้สัมภาษณ์กันได้รู้ว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติมากน้อยเพียงายถ้ารู้ว่าสามารถมาอยู่ปฏิบัติได้ตามลำพังก็จะให้อยู่เพราะที่นี่เราไม่ได้มาควบคุมบังคับไม่มีเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนอยู่แล้วก็ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนปฏิบัติของตนไม่ไปรบกวนคนอื่น ไม่ใช่มาอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปชวนไปพบคนนั้นไปคุยกับคนนี้ถ้ามาแบบนี้ก็จะไม่ให้อยู่ถ้ามาเรามาปีกวิเวกมาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมอยู่ตามลาพังเราจะจัดที่ให้อยู่ที่ไม่เจอไม่เห็นหน้ากันที่ก็อยู่แบบง่ายๆเป็นแค่มีทางเดินจงกรมต้องอาจจะต้องหามุง้งหากดหาอะไรมาเองผมผมผมศรัทธาแล้วก็ผมได้อ่านแผนที่ที่ พอแม่กูบาอาจารย์แล้วก็รู้ประวัติของค่าอาจารย์แล้วก็มีความศรัทธาและมั่นใจว่าจะเป็นคนนําพาในแผนที่นี้ให้ไปสู่ความสำเร็จได้การขอบคุณครัอาจารย์ครับนะครับจุนะครับจุ true, s <S ถ้าเกิดความคิดจะไปประมาทใครก็ให้รู้ว่าเป็นความคิดรวมมันเป็นเป็นความคิดเป็นสันดานเป็นนิสัยของเราที่ยังคิดอย่างนี้อยู่ เพียงแต่ว่าเราอย่าไปเชื่อมันก็แล้ว ก, กันเราก็ยังต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำมีหน้าที่ต้องเขารบผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ารบไปอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของเราคนอื่นเขาจะดีเขาจะเชื่อเขาจะสูงจะต่าไม่ได้ทำให้เราดีชั่วหรือสูงต่าไปกับเขาอ่มีคำถามต่อหมมีค่ะ คำถามจากทางลายเมื่อวันพุดที่สีที่ผ่านมาได้ฟังธรรมแต่ไม่ชัดสัญญาณหายขอเรียนถามเรื่องอินทรีย์คืออะไรสติการเจริญสติสมาธิมีส่วนอย่างไรกับการพัฒนาอินทรีย์คําว่าอินทรีย์นี้ในศาสนารู้สึกจะมีสองแบบถ้าอินทรีย์สังวรก็เรียกว่าสํารวมอินซียสํารวมอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจมกูกกลิ่นกาย ซึ่งเราเรียกบางครั้งก็เรียกว่าเป็นอายตนะอายตนะภายในเรียกว่าตาหูจมูกลินกายอายตนะภายนอกเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสแต่บางทีเราก็เรียกอายตนะภายในยว่าอินรีให้มีอินรีสังวรเช่นเรามาปีกวิเวกนี่ก็เพื่อมาเจริญอินรีสังวรมาสำรวมตาหูจมูกลินกายไม่ให้ไปดูรูปเสียงกลิ่น ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทําให้เกิดอารมณ์เกิดตัณหาขึ้นมาอันนี้ก็อินทรีย์อินทรีย์อีกอันที่ใช้ในพุทธศาสนาก็คืออินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าได้แ ก, สกส่สติได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์นี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตของแต่ละคนนี่พวกเราทุกคนมีอินทรีย์อยู่มากน้อยต่างกัน ทุกคนที่มาที่นี่มีศรัทธาในระดับหนึ่งมีมีวิริยะความเพียรในระดับหนึ่งมีสติมีสมาธิมีปัญญาในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นระดับของอินทรีย์ที่ยังไม่แก่กล้าพอที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจ ใ, ให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ผู้ที่จะต้องก้าวขึ้นสู่การเป็นพระอริยบุคคลต้องพัฒนาอินทรีย์ให้กลายเป็นพระละ อินรีห้าให้เป็นพระห้าคือจากศรัทธาที่ยังไม่แน่นอนล้มลุกคุกค่าให้เป็นศรัทธาเต็มร้อยมั่นคงเชื่อพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนไม่ไม่สงสยัยไม่อะไรทั้งสิน้นทุ่มเทชีวิตทุ่มเทความเพียรให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่เจริญสติตลอดเวลาฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อย ฟังเทศฟังธรรมเพื่อจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็จะก้าวขึ้นจากจากภาระมาให้มันเป็นเป็นจากอินรีมาให้เป็นภาระต่อไปอนี่คำว่าอินรีก็มีอยู่สองความหมายเท่าที่เราได้ยินได้ศึกษามาแต่ถ้าอินรีเล็กก็คือทีมชาติเยอมัน <laughs> <laughs> ตกรอบไปแล้ว <laughs> คำถามจากทาง YouTube ค่ะ ถ้าเราเอารูปครูบาอาจารย์มาเป็นรูปโปรไฟล์ในเฟ e บ o o k บ้างใน LINE บ้างแต่ทำด้วยความเคารพเพราะเวลาเห็นจะได้นึกถึงเป็นสังคานุสติไม่ทราบว่าจะสมควรไหมคะมันก็ไม่แน่นะเพราะสมัยนี้ของที่เราพกพามันบางทีพกอยู่ในก้นก็ได้ <laughs> พกอยู่ในกระเป๋าเนี่ของสูงๆมันไปอยู่ที่ต่ำถึงแม้เราจะไม่ได้เปิด ภาพมันขึ้นมาแต่มันก็ยังอยู่ในเครื่องอยู่มันก็เลยมันเป็นคุณนสิ่งที่ต้องวิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราจะเอาภาพพระพุทธเจ้าใส่กระเป๋าเสียบไว้ในกระเป๋าหลังเราหรูอเปะ่ะถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็นแผ่นกระดาษเนี้รูปภาพของครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่อยู่ในเครื่องแล้วเราก็เอาเครื่องนี้ใส่กระเป๋าเรามันก็ไม่ทราบ ว, ว่าจะเหมาะสมหรือเปล่า เอาพุโทโธดีกว่าอย่าเอาภาพเลยเอาพุโทโธอยู่ในใจเราดีกว่าเอนึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าเอาภาพไปใส่ไว้นึกถึงสังโฆดีกว่านึกถึงคําสอนของท่านดีกว่าเอให้เราลึกมันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการอพิจารณา ธ, ธรรมพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอให้มันมีอยู่ในใจเราจะดีกว่าอยู่ในเครื่องเพราะอยู่ในเครื่องเดี๋ยวมันก็ลืมพอปิดเครื่องมันก็ลืมแล้วะ คำถามจากคุณอิสรีภาวนาโดยรวมจิตไปที่บทสวดธรรมจักที่เปิดวิทยุเป็นประจำอย่างนี้ถือว่าทำได้ไหมเจ้าคะเพราะโยมชอบว่ามีสมาธิดีเจ้าคะถ้าเป็นการฝึกสมาธิแล้วมันทำให้จิตมีสมาธิก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่สงบอย่างเต็มที่ถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่พอจิตเริ่มมีสมาธิแล้วก็หยุดแล้วให้เปลี่ยนมาดูลมหายใจแทน นืให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวแทนมันน่าจะทําให้จิตสงบได้มากกว่ามันจะทําให้จิตรวมได้ถ้าการสวดมนต์นี้มันจะไม่รวมแต่มันช่วยลดลดความคิดความฟุง้งซ่านนมทาให้จิตมีสมาธิมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นแต่ยังไม่สงบเต็มร้อยถ้าอยากให้สงบเต็มร้อยต้องให้มันเพ่งอยู่กับนมหายใจอย่างเดียว หรือให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเนี่ยมั น, นะก็อาจจะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่คําถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณสุรัตนาถ้ารู้สึกสงบเย็นและมีความสุขใจหลังออกจากสมาธิแล้วเราจําเป็นต้องนั่งสมาธิอีกหรือไม่คะเพราะใจเป็นสุขโดยละความอยากได้ทุกอย่างแล้วก็ละได้ตลอดไม่มีความอยากก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้ายังมีความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ก็แสดงว่า สมาธิเราหมดกำลังก็ต้องกลับไปนั่งใหม่สมาธิก็เหมือนน้ำที่เราแช่เย็นอยู่ในตู้เวลาเอามาจากตู้ใหม่ๆมันก็เย็นทิ้งไว้สักพักเเดี๋ยวมันก็ร้อนมันก็หายเย็นจิตเราก็เหมือนกันเวลาจากสมาธิใหม่ๆมันจะเย็นจะสบายเป็นจะเฉยจะเป็นอุเบกขาเดี๋ยวสักพักเริ่มคิดเริ่มเห็นหนูน่นเห็นนี่เดี๋ยวกิเลสมันออกมามันก็จะทำให้ใจร้อนขึ้นมาใหม่ได้ ก็ต้องกลับไปนั่งใหม่ถ้าเย็นตลาดเวลาไม่มีกิเลสเหลืออยู่ก็ไม่ต้องนั่งพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อดับกิเลสนะเพราะไม่มีกิเลสจะต้องดับที่ท่านนั่งสมาธิก็พื่พักผ่อนใจบางทีใจออกมาก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่คิดไปมากๆมกันก็เหนื่อยได้ก็เราอยากจะพักก็เลยไปหยุดความคิดในสมาธิแต่ไม่ได้ไปหยุดกิเลสเพราะกิเลสมันไม่มีให้หยุดแล้ว ดนั้นถ้าคนไม่มีกิเลสแล้วจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้ถ้าใจไม่เหนื่อยใจไม่คิดมากก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้คำถามชกลสีสัมัญญาขอเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่งร่างกายจะกระตุกเหมือนคนที่เจ้าเข้าแล้วก็จะนิ่งสงบ จนกระทั่งใกล้เวลาจะออกจากสมาธิตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ร่างกายก็จะกระตุกอีกระยะหลังๆพอนั่งสมาธินึกถึงพุทธโธไปได้ไม่กี่คำก็จะร่างกายกระตุกแล้วเป็นมานานแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรดีถ้ามันกระตุกแป๊บเดียวแล้วจิตนิ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยมันกระตกไปก็รู้ว่ามันเป็นวิธีเข้าสมาธิของเราก็มันต้องกระตุกก่อนมนถึงจะเข้าได้ คำถามสักคุณจินดาการปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรรคผลนิพพานจําเป็นต้องศึกษาพระอภิธรรมพระไตรปิฎกไหมคะถ้าเราไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนแต่ไม่ต้องศึกษาทั้งคมภีร์ทั้งทั้งทั้งพระไตรปิฎกศึกษาแต่เฉพาะทำที่อที่จําเป็นต่อการปฏิบัติแล้วก็ พอเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรก็คือต้องศึกษามากแปดศึกษาศีลสมาธิปัญญาศึกษาทานศีลภาวนาแล้วก็ศึกษารายละเอียดในแต่ละหัวข้อว่าทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไ ร, ร, ป, งไรปัญญาเป็นอย่างไรพอเรารู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติได้นะก็ไม่ต้องศึกษาทั้งหมดค่ะคําถามจากคุณเทวิชา จิตรวมจะมีกี่ระดับคะเราผู้ปฏิบัติจะทราบได้ด้วยตัวเองว่าเราถึงระดับไหนคะก็ไม่รู้หรอกก็มันมีระดับที่เราต้องการก็คือให้มันนิ่งสงบเป็นอุเบกขาไม่คิดปงแต่งสักแต่ว่ารู้ก่อนจะถึงระดับนั้นมันก็ยังมีก็เรียกว่าแบ่งเป็นชานเป็นขั้นขั้นชานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เราต้องไปถึงขั้นที่สี่ไป รูปฌปานขั้นที่สี่จิตจะสงบนังนับเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสบายอกสบายใจเบาอกเบาใจคำถามจากคุณแพมความอยากในการนั่งสมาธิเพราะนั่งแล้วมีความสุขจิตใจสงบความอยากแบบนี้ถือเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าคะ อ, อ๋อไม่หรอกเป็นเป็นธรรม เป็นมั่เป็นทางสู่การดับความทุกข์ต้องอยากนั่งสมาธิต้องอยากรักษาศีลต้องอยากทําบุญทําทานต้องอยากฟังเทศน์ฟังธรรมถึงจะดับความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าอยากเที่ยวอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายกอยากจะเป็นนายพันนายพลอันนี้มันจะพาไปสู่ความทุกข์งั้นอย่าไปอยากแบบนั้น อย่าไปอยากด้วยกามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้อยากในธรรมยินดีในธรรมการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงคำถามจากคุณจัสมินถ้าเราโอโหสิกรรมให้คนอื่นผลของกรรมยังอยู่กับคนที่ทำกรรมไหมครับหรือหายไปด้วยเพราะเราไม่ผูกเวรแล้ว เขาทํากรรมเขาก็ยังต้องไปรับผลของกรรมเขาอยู่อเช่ mm hmm. นเขาไปทําบาปข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีผลส่งให้เขาต้องไปเกิดในอบายอาจจะไม่เป็นข้อเดียวอาจจะไปรวมกับข้ออื่นไปรวมกับบาปอันอื่นเพราะเวลาจะไปอบายได้นีนตอนที่ตายนี้บาปก บ, บุญจะมามาคิดบัญชีกันมามาแย่งดวงจิตกัน ถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็บาปยังไม่สามารถดึงไปอาบายได้บุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนแต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอาบายนั้นเรื่องรายละเอียดของของกรรมนี้มันเราไม่สามารถที่จะไปแจกแจงได้เราพูดแบบรวมๆได้ทั้นเองว่าทำบาปแล้วมันจะต้องมีทิศทางไปสู่อาบาย ทำบุญมันก็จะมีทิศทางไปสู่สวรรค์ถ้าภาวนาก็ชำระใจให้สะอาดได้ก็มีทิศทางไปสู่พระนิพพานคำถามจากคุณเพ็ญภาถ้าระหว่างวันเราจเจริญสติสลับอยู่กับงานปัจจุบันแต่ในแต่ละวันเราขาดการนั่งสมาธิทั้งนี้จิตเราก็สงบนิ่งพอได้ไหมคะและความอยากก็ลดลงไปทีละน้อยกับสิ่งกระตุ้น ก็ได้ในระดับหนึ่งไงแต่ยังไม่ได้เต็มที่อยากจะได้เต็มที่ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วทำจิตให้นิ่งให้เต็มที่อันนี้ก็ต้องมีเวลามีที่สงบแต่ถ้ายัางไม่มีเวลาก็จเจริญสติไปก่อนคำถามจากทาง YouTube คุณอิสรีในกรณีขับรถเปิดบทสวดธรรมาจาก แปลตลอดเส้นทางทุกครั้งอย่างนี้ถือว่าเราลบรู่ไหมคะเพราะไม่ใช่ฟังในที่ีและวโหวฐานและบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจฟังตลอดเพราะต้องใช้สติขับรถนะคะก็ไม่ลบรู่หรอกเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่ามันจะทำให้ใจเราแยกเป็นสองต้องไป ด, ดูการขับรถแล้วต้องกลับมาฟังมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาสู้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า ขับรถก็มีสติอยู่กับการขับรถจะได้มั่นคงกว่ามั่นปลอดภัยกว่าเวลาเกิดมีอะไรอุบัติกระทันหันก็จะสามารถออแก้ปัญหาได้เร็วกว่าถ้าใจไปอยู่กับการฟังอยู่แล้วเกิดมีอะไรกระทันหันก็อาจจะมาแก้ปัญหาไม่ทันก็ได้เห็นถ้าอยากจะฟังทำอยากจะฟังสวดมนเอาตอนที่เราไม่ต้องทำอะไรดีกว่าแล้วนั่งเฉยๆอย่านั่งสมาธิก็เปิดฟังไป การฟังทำการฟังบทสวดมนต์ก็ช่วยทําให้จิตสงบได้ในระดับหนึ่งพอจิตสงบได้ระดับหนึ่งเราก็หยุดแล้วก็ปิดมันแล้วก็แล้วก็ดูลมหายใจต่อเพื่อให้มันสงบได้ลึกเข้าไปมากกว่านั้นคําถามจากคุณวิรัติจิตกับความคิดแตกต่างกันไหมครับคือจิตนี้มีทั้งความคิดมีทั้งความรู้สึกมีทั้งความรู้การรับรู้เนี่ย การรู้นี่ก็คือจิตการคิดก็คือจิตการรู้สึกก็คือจิตในจิตมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้วิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง จิตก็คือผู้รู้สิ่งเหล่านี้อีกทีหนึ่งผู้รับรู้สิ่งเหล่านี้รับรู้สัญญารับรู้เวทนารับรู้สังขารรับรู้วิญญาณมีอยู่นี่คือตัวจิตมีองค์ส่วนประกอบอยู่ทั้งหมดสี่ห้าส่วนด้วยกันเวทนาสัญญาสังขารส่วนสี่ส่ว น, วนแล้วก็ตัวจิตเองตัวที่รู้อีกตัวหนึ่งรู้ที่รู้วิญญาณตัวที่รู้สัญญาตัวที่รู้ เวทนาตัวที่รู้สังขารเนี่ยก็คือตัวรู้เอาข้อสุดท้ายนะค่ะคำถามสกุลบอมบอมขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์วิญญาณในขันห้ากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่ก็อย่างที่เพื่อนอธิบายอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตเจิตมีห้าส่วนตัวจิตคือตัวรู้แล้ ว, วนามขันก็มีอยู่สี่ วิญญาณก็เป็นตัวหนึ่งตัวทําหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้จิตอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนสมัยนี้เขาเรียกเมสเซนเจอร์เป็นคนรับเอกสารส่งเอกสารส่งรับเอกสารจากคนนั้นมาส่งให้คนนี้วิญญาณก็ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมาส่งมาให้จิตตัวรู้แต่ก่อนจะถึงตัวจิตก็มีสัญญามา มาแปลความหมายของรูปเสียงกิ่นแล้วว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรอะพอแปลแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พอเกิดสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สังขารก็จะคิดว่าจะทำงานดีอสุขก็อ่าเก็บเอาไว้ทุกข์ก็โยนทิ้งไปอไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไว้เฉยๆก็ได้ออันนี้ก็จะเป็นการทํางานของจิตต่อ เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสให้จิตรับรู้อ่าแล้ววันนี้ก็จะถามเลยอ่ะจะถามว่าเราแล้วเราจะรู้หรือดูทันได้ไหมคะว่าใจว่าแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ m เ s s เจอร์ไปจนก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆไงฝึกสติจนกระทั่งหยุดจิตให้ได้ก่อนพอหยุดจิตแล้วมันก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่เหมือนปิดเครื่องคอมพอปิดเครื่องคอมแล้วเวลาบูตเราก็นั่งเฝ้ามันเลยว่ามันผ่านขั้นตอนไหนก่อน เข้าฮัตดิก่อนเข้าเมนบอร์ดก่อนอะไรมันก็จะมันก็จะเห็นขั้นตอนของการทํางานของจิตพอเราเข้าสมาธิปั๊บเราหยุดหมดหยุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั่วคราวอาจจะไม่หยุดเต็มร้อยแต่หยุดเสียส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิมาปั๊บมันสัญวิญญาณก็ทํางานและรับรูปเสียงกลิ่นรดเข้ามาแล้วพอรับมาสัญญาก็เริ่มแปลความแปลรูปเสียงกลิ่นรู้ว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไร แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็สังขารก็คิด mm. เห็นกาแฟก็แปลแล้วเอาต้องดื่มกาแฟสักถ้วยแล้วตัญหาความอยากก็โผกขึ้นมาให้ทียนมันจะมาเป็นขบวนอย่างนี้แต่ตอนต้นเราจะไม่รู้ถ้าสติเราไม่ไวสติเราต้องไวจกนกระทั่งหยุดความหยุดหยุดจิตได้หยุดความคิดได้หยุดการทางานของนา ม, มาขันได้แล้วพอปล่อยให้มันเริ่มทำงานเราก็จะเห็นมันทางาน